บทที่76จฉัสุขุขระถจฉันหรือสุขุขระเหตุผลบางประการสองเจือกรึมฉิชเฮาสุกขุขระกะกัชญกนเจือรึมฉิชเฮาสุกขุขระน ทำไมคุณไม่ได้มาล่ะคะซดะุกจิมกว า, ารซดะวจิกมกวาารดิฉันไม่สบายค่ะซุโวิเชียกซุโวิเชียดิฉันไม่ได้มาเพราะไม่สบายค่ะซะวจิกมกว า, ารซอเชยสอารซะุกจิมกวาาร ุซยเชียกัสอาร์ทำไมเธอถึงไม่มาล่ะคะสุดาร์กัสจิมกัวร์สดาร์กัสจิมกวัรมกวรเธอเหนื่อยคะ่ะอาร์สุกร์อาร์สุกร์เธอไม่ได้มาเพราะเธอเหนื่อยคะ่ะ ฮาร์คิซจมควากรพชาาร์าร์ิซจมวรชาาร์ทำไมเขาถึงไม่ได้มาล่ะคะสดาร์ิซจมวรสดาร์ิซจมวรเขาไม่มีอารมณ์ค่ะฟัเฟฟัเฟ เขาไม่ได้มาเพราะเขาไม่มีอารมณ์จะมาค่ะอาร์ควิสจามกัวกรกนชฟบชาร์รราร์คจมกรกนชฟบชาร์รรทำไมพวกเธอถึงไม่ได้มาละ่ะคะซึเดฟควิสจมกวัวกรคจมกร รถของเราเสียค่ะทิมกุมาชนะกุตตเราไม่ได้มาเพราะรถของเราเสียค่ะทักกัเจมกวากรทิ่าชตจกิมาชนะกุตตะราห์าาก ทำไมคนเหล่านั้นถึงไม่มาคะซ่เดซฟขรมกวระ์ซเดซฟข์มกวร์พวกเขาพลาดรถไฟคะ่ะชวุมกชินาชวุมกชินาพวกเขาไม่ได้มาเพราะพวกเขาพลาดรถไฟคะ่ะ อัครคุณจมุว่าอัครไม่ใชคุณคุณชนะกับคุณอัครทำไมคุณถึงไม่มาคะสุดาวุคุจจ์มว่าคุดาวุจมุว่าอัรดิฉันไม่ได้รับอนุญาต สคควสฟิทระบสควานุสฟิทระบดิฉันไม่มาเพราะไม่ได้รับอนุญาตเซสควสเจมควารราร์ซสควิสเิพชอาร